การตามเวลาเป็นมงคลพวกเรา เราจะประมาทไม่ได้ต้องหัดแสวงหาทาง เอาเป็นธงชัยของพวกเรารัตนะชัยเนี่ยชู <c oughs> เป็นกิริยาต้องมีกิจกรรมมีตัวปฏิบัติต้องเดินตอนมีสติมันก็ไม่หลงทันที <c oughs> เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ให้ผลได้ทันทีไม่มีการไม่มีเวลาอ่า มันให้กายสามารถที่จะปิดความรู้สึกตัวเดี๋ยวกายไปผิดความหลงเดี๋ยว วันไหนทั้งหมดของใคร เป็นเอ่อเทคนิคที่จะสร้างสติให้มันทัน มันก็เสื้อผ้าที่มัน แล้วก็การเดินจงกรมมีสติเข้าไปเพิ่ม พอที่พอเดียวหรือไปอยู่กับมิตรกับเพื่อนเพื่อความอุ่นใจเห็นเพื่อนสร้างจังหวะ เอาต้นน้อยเป็นมิตรเอาต้นน้อยเป็นเพื่อนเห็นใบ <c oughs> ต้นไม้มันก็ยืนอยู่แล้วก็แผ่กิ่งก้าน อ่าตอนมัยมัน ไปคิดอะไรมากเจออะไรมาหวายศิษย์ห้องโลกห้องเมียห้องครอบห้องครัวห้องบ้านห้องช่องอ้าวพระพุทธเจ้าเป็น เอาหมายเอาอย่างท่านบ้างหรือเอเอ <c oughs> 80 รูปก็มีกําลังขึ้นมา พอบัญชิตไปถึงไหนถึงไหนพอรู้สึกตัวเอ้ามันก็กลับมาอ่ามันก็เห็นผลบ้างปฏิบัติตายให้ผลได้บ้างนะแล้วก็ต้องสร้างสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นแก่เราอย่าไปเปรียบเดียวดายคน ไม่ใช่ตัวเราคนเดียวตัวเราคนเดียวในตัวเราเนี่ยสมัยเนี้ยว่าจะมีความหลง <c oughs> เราไปตามไปในความคิดอารมณ์ต่าง ว่าชอบว่าไม่ชอบสมมุติปัญญัติไปโอ๊ยเยอะแยะว่าผีหลอก เอาแต่ตัวโล้จากตัวอ่าพวกเราจะนั่งอยู่นี่ก็เหมือนกันนั่นแหละไม่มีใครที่จะวิเศษกว่ากันหรอกเพราะงั้นเพื่อนมีมิตรมีพี่มีน้องมีลูกมีหลานมี อย่าไปเอามาบัญญัติว่าเราไม่เหมือนเขาเขาไม่เหมือนเราเพราะนั้นกัน เราเป็นโยมก็สัจธรรมต้องกันมีความรู้สึกตัวกับความรู้สึกตัวอันเดียวกันไม่ใช่ มนุษย์เราก็ 10 นิ้วขา 2 แผ่น 2 ในสมองหรืออะไรเหมือนๆกันๆเหมือนกันเอาไปเป็นหมอเป็นสารสุขไปรักษา เป็นตับเป็นไตนะนาขาทันตาตะโจมขนเล็บผิวหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าม ก็ไม่หลงเนี่ยควรที่วิวิเศษพิเศษอ่าวิปัจจานะเนี่ยมันวิเศษนําไปสู่อย่างวิเศษไปสู่สู่จุดหมายปลายทางอย่าง นำไปวิคือวิเศษนะอย่ามั่นภาคตรงนี้พวกเราสร้างเอาจะเอาความ เออเวลานี้ทีนี้ก็ไม่ค่อยสงบกําลังมีการๆทํา ทำไมเขาถึงจะอยู่ปฏิบัติกับพวกเราก็คิดจากไหนก็มาบางทีเป็น อามาภາດเค้าก็ยังมาปฏิบัติแต่นี่คน มองความใบหนอกตาก็ไม่บอดขาก็ยังไม่พิกลพิการแขนขายังดีอยู่เราไปใช้ชีวิต การปฏิวัติธรรมอย่าไปขออย่าปีอ้าว 30 ปีอ่าถ้าเกิด แล้วก็ยกแขนขึ้นเราก็ไม่กล้าเหมือนกันแล้วก็เดินดูเข้าไปเราก็ไม่กล้าไปมันรู้นี่เราทําได้ขึ้น คือเราทำได้เหมือนปฏิบัติได้เราบ้างเรา 46 ปีเราอายุ 30 ปีเนี่ยถามท่านอายุเท่าไหร่หลวง 46 ปีอ๋อ 30 ปี 46 ปีมันก็ต้องมี พระองค์ผู้เถียนคุยอวดด้วยพระองค์ผู้เถียนบอกว่าหาเงิน 100 หันพันหนึ่งมีผู้หญิงมานอนด้วยคืนละคน 2 เรายังไปแสวงหาความไม่เป็นสาระพระพุทธเจ้า อาจารย์ก็สอนนะแสดงว่าคนที่ม่วงเหมือนเราก็ <เลย. S 1> ไอ้โจรก็มีอ่าคนเป็นพันพันเค้ายังทําได้เราไม่ได้ไปฆ่า มันคือโจรบางทีทิฏฐิมนะออกภาวานิชต่างๆมาเพราะว่าไม่ไม่ใช่ เราควรสร้างจังว่ารู้สึกระลึกได้เพิ่มความรู้สึกเข้าไป อย่าให้ความแซงมันไปเคยแซงมั้ยพี่ทรง ปะหนึ่งคำว่าถามหลวงพ่อเอ๊ะทําไมก็ทําไว้ๆหลวงพ่ออ๋อขอแสงความง่วงอ่ะมาใช่มั้ยเวลามันอ่าเอาประกอบเอา ได้มันวัยมันได้เวลาใดมันหลงแสงความหลงเวลาใดมันโกรธแสงมันโกรธเวลาใดมันทุกข์แสงมันทุกข์เวลาใดกิเลส ความไม่ทุกข์นั่นแหละเก่งที่สุดความไม่โกรธจริงที่อ่ามันจะใหญ่โตขนาดไหน ฉุกตัวเองขึ้นตัวเองขึ้นเวลาใดมันหลงให้เห็นความหลงชัดเจนอย่าครึ่งไปซ้ําไป มันจะได้เห็นมันมันสนุกดีได้เห็นมันมันสนุกดีสนุกเล่นกับความลงสนุกเล่นกับกิเลสเยอะเย้ยมันอะเยอะเย้ยมันมันเขาเล่น 2 ตัวเคยเห็นมั้ยคุณประสานไปคนๆเดียวคนภาคก็ภาคอ้าว อ้ายซายต่อย ชงก์นั้นตัวนี้ลงไปก็จับหูตรงทางต่อมาลบบอกว่าต่อยกันไม่มันต่อยเออนี่ อ่าที่สร้างผมรู้สึกตัวสร้างผมรู้ om namn av namn hvarde mig, var gudor var gudar som allt,